เรื่องผ้าป่าโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีโดยคุณหลวงพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวเป็นที่เคารพรักเทิดทูนของบรรดาศิษย์ทั้งหลายท่านเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายเป็นนาบุญที่ประเสริฐและบริสุทธิ์สะอาด ด้วยบารมีแห่งธรรมของท่านที่เปล่งประกายฉายรศมีออกมาเป็นแสงนวลรอบองค์ท่านยามที่ได้กราบแทบเท้าพระชราผู้เป็นอริยสงฆ์พระอรหันต์วาจาสิทิความสุขและความอบอุ่นจะโอบคลุมตัวผู้กราบเป็นความเมตตาที่หาที่เปรียบไม่ได้ท่านเป็นผู้นำพาศิทธิานุสิ์ให้ได้ทำบุญสร้างบารมีไว้ให้เป็นของของตนร่วมกับท่าน อันจะเป็นสเสบียงสะสมไว้เนื้อพบภูมิข้างหน้าซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้นกรรมต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่รู้กี่พบกี่ชาติจะได้อาศัยสเสบียงนี้เป็นต้นทุนของบุญบารมีไว้มากน้อยตามแต่ที่จะได้กระทํามาในพบชาติต่อๆไปจะได้เป็นพบชาติที่สมบูรณ์ไม่ลาบากยากเข็ญ งายบุญใดๆที่หลวงตาท่านพาธรรมเพื่อแบ่งบุญสู่เหล่าลูกศิษย์ไม่เคยมีการออกใบดีกามีเพียงการออกประกาศให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายได้รับทราบด้วยตัวท่านเองทุกเช้าที่มีการเทศและในโอกาสอื่นๆที่เหมาะสมจากนั้นก็เป็นการบอกต่อๆกันจากปากสู่ปากไม่ว่าจะเป็นโครงการช่วยชาติเพื่อระดมทองคาคาจุนคลังหลวงของชาติ การสงเคราะห์ script, ทั่วไปที่หน่วยงานต่างๆที่ขาดแคลนงบประมาณได้มากราบขอความอนุเคราะห์จากท่านในการก่อสร้างสิ่งต่างๆที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวมเงิน <novels. S 1> ทำบุญมากมายที่ได้รับท่านไม่เคยนำมาใช้เพื่อบำรุงความสุขสะดวกสบายส่วนตัวของท่านเลยท่านยังคงเป็นพระชาราผู้มีจิตใจเข้มแข็งอดทนสันโดษในความเป็นอยู่เช่นแม่ทัพใหญ่ ที่นำทัพเข้าต่อสู้กองทัพกิเลสท่านเคยเป็นพระที่ใช้สอยกินอยู่น้อยอย่างไรทุกวันนี้ท่านก็ยังคงเป็นอยู่ในสภาพนั้นอาสนะกระบอกหรือโจกใส่น้ำและแม้จนจานพลาสติกใส่มากกระโทนน้ำหมากของท่านก็ยังคงเป็นของเดิมที่ใช้มานานแสนนานแล้วไม่ได้มีบริขารใดที่บ่งบอกถึงความร่ารวยในทางโคพคซับแต่อย่างใดท่านเป็นพระหลวงตาที่จนที่สุด แต่ความเมตตาของท่านยิ่งใหญ่ไพศาลเกินกว่าที่จะนำมาเล่าสูกส่กันฟังได้หมดพวกเราลูกศิษย์ไม่ได้ยกย่ององค์หลวงตาเกินเลยไปกว่าความเป็นจริงในการที่ท่านได้ให้ความเมตตาแก่โลกนั้นท่านไม่เคยมีคณะทํารรรงานคอยกลั่นกรองเรื่องที่ทยอยเข้ามาถึงท่านท่านจะพิจารณาทุกเรื่องด้วยองค์ท่านเองเรื่องใดที่ท่านเห็นว่าสมควร ก็คือท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนท่องแท้แล้วด้วยยานวิถีของท่านที่ส่องทะลุทุกเรื่องได้ไม่มีสิ่งใดที่สามารถปิดบังท่านได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทองคำคาจุนชาติที่เริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราชสองยที่คนส่วนมากไม่เข้าใจว่าทาไมท่านจึงต้องทาบางกติติงว่าหลวงตามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองกับเรื่องเงินทองของประเทศชาติอันไม่ใช่กิจของสง เรื่องทองคำที่ท่านรณรงค์ขอบริจาคเข้าคลังหลวงจนถึงขณะนี้ได้เกือบครบ12ตันแล้วขาดอยู่เพียงไม่กี่กิโลกรัมหรือเมื่อผู้มีอำนาจในรัฐบาลคณะก่อนๆพยายามที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติเงินตราเพื่อนำทรัพย์สินของพวกเราที่หลวงตาพาดำเนินจนสามารถสะสมได้มากมายในท้องพระคลังออกไปลงทุนกับกองทุนต่างประเทศเพื่อหาดอกผลจากการลงทุน ซึ่งต่างก็พากันฝันหวานหวังผลกำไรงามจากการลงทุนแต่ต่อมาไม่นานเหตุล่มสลายทางการเงินของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจก็สะเทือนโลกไปทั้งใบจากเหตุระบบทุนนิยมสุดโต่งที่หมดพลังมีใครรู้บ้างไหมว่าในกรณีวิกฤตช่อฉนเหล่านี้หลวงตาท่านได้ออกตัวมาปกป้องได้อย่างไรและเหตุใดท่านต้องทาแนวหน้าหลายคนที่เป็นสิทธิของหลวงตาต้องออกโรง ทุ่มทั้งกายและกำลังใจทำงานกันสุดชีวิตด้วยมือเปล่าด้วยพลังศรัทธาเชื่อมั่นในองค์ท่านภารกิจเพื่อชาตินี้จึงสำเร็จลุล่วงปกป้องสมบัติของชาติได้โดยเรียบร้อยปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังคงมีทองคำและเงินจำนวนมหาศาลอยู่ในคลังหลวงคำจุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติสมดังปฏิฐานขององค์หลวงตาและคนไทยทั้งชาติ นี่คือผลจากการพิจารณาด้วยยานวิถีของหลวงตาที่ห่วงใยใส่ใจต่อทุกสุขของประชาชนชาวไทยทุกเชื้อชาติและาศาสนาเพื่อให้ชาติรอดพ้นจากความพินาศหายนะที่คนไทยด้วยกันเองเกือบจะครอบงำชักนาจากต่างประเทศเข้ามาและที่เห็นประจักษ์กันอยู่ทุกวันนี้ก็คือผลกรรมที่เกิดตรงและร้ายแรงแก่ประเทศมหาอานาจต้นตำรับเหล่านั้นเอง แต่ในยุคโลกาพิวัติเช่นนี้ถึงอย่างไรก็ต้องมีผลกระทบไปสู่ทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยเพราะโลกทั้งโลกเหมือนเป็นหนึ่งเดียวเกี่ยวโยงลากไปด้วยกันในการสงเคราะห์โลกความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คนเป็นเรื่องที่หลวงตามหาบัวท่านเมตตาเป็นอันดับแรกท่านไม่อยากให้คนป่วยไข้ทั้งหลายต้องถูกทอดทิ้ง เนื่องจากเหตุที่ว่าโรงพยาบาลรองรับคนไข้ได้ไม่พอผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับจํานวนคนไข้ท่านได้ทุ่มเทเพื่อเสริมสร้างกําลังใจให้กับโรงพยาบาลทั้งหลายทุกจังหวัดทั่วประเทศและแผ่ขยายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน <c oughs> เช่นลาวและชนกลุ่มน้อยที่เดือดร้อนตามตะเข็บชายแดนท่านได้เมตตาอนุเคราะห์ไปทั่วทุกแห่ง โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเป็นโรงพยาบาลที่ท่านได้เมตตาช่วยเหลือมาโดยตลอดเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่ใหญ่โตกว้างขวางผู้คนหลั่งไหลเข้ามารับการรักษาอย่างหนึ่งแน่นจนอาคารและห้องพักคนไข่อุ ป, ปกรณ์และสาธารณูปโภคไม่พอเพียงกับจำนวนคนไข้จนต้องเดือดร้อนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อานวยการโรงพยาบาลที่ไม่มีทางที่จะไปพึ่งพา ง, งบประมาณของรัฐจากแหล่งใด และได้รับเงินสนับสนุนไม่เพียงพอที่จะดำเนินการครั้นจะรองงบประมาณจากรัฐก็ดูจะไม่มีความหวังคนไข้จะล้มตายลงไปมากมายผู้เกี่ยวข้องต่างเฝ้าดูสถานการณ์ด้วยความรันทดหดหู่ที่เห็นชีวิตผู้คนในอุดรล้มตายลงราวกับผักปลาในตลาดที่ขาดการดูแลผู้บริหารจึงต่างมุ่งหน้าเข้าวัดหลวงตา ปรึกษาหารือกับพระในวัดเพื่อหาทางออกจากการพูดคุยปรึกษากันได้ลงความเห็นว่าไม่สมควรที่จะไปรบกวนองค์หลวงตาแต่ควรจะตั้งกองพระ ป, ป่าจำนวนแปดหมื่นสี่พันกองขึ้นกองละสองพันบาทซึ่งก็คงไม่หนักจนเกินไป น่าจะได้เงิน168ล้านบาทได้อย่างสบายสบายโดยไม่ต้องไปรบกวนของเงินจากหลวงตาจึงนําความไปกราบเรียนท่านท่านรับไว้และเป็นองค์ผู้นําในการทํางานบุญใหญ่ให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้ร่วมบุญเป็นมหากุศลกับท่านและทําประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งเป็นการทําบุญที่สําคัญขององค์หลวงตาเป็นของขวัญปีใหม่ให้ท่านตลอดปี2552และยังเป็นการฉลองครบ8รอบ ในโอกาสคล้ายวันเกิดของท่านในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2552ด้วยหลวงตามหาบัวท่านได้ตัดสินใจที่จะให้การสนับสนุนดังคำเทศของท่านเมื่อวันที่6ธันวาคม2551นรวัดป่าบ้านตาดว่าโรงพยาบาลอุดรธานี115ล้านบาทนี่เราเป็นหัวหน้านั้นนี่ เห็นความจําเป็นของคนไข้ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่พักอยู่เราก็เลยเป็นหัวหน้าสร้างตึกโรงพยาบาล8ชั้นอา้าวพี่น้องทั้งหลายให้พากันช่วยนะหลวงตาเป็นหัวหน้าสร้างตึกโรงพยาบาล8ชั้นที่อุดรเพียง2วันเท่านั้นหลังจากที่ท่านประกาศให้บรรดาสิทธิ์ทั้งหลายทราบท่านได้เทศอีกครั้งในวันที่8ธันวาคม2551 หลังจากท่านได้เมตตาพิจารณาถึงความต้องการในอนาคตที่จะต้องมีผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างมากมายจึงพิจารณาให้เพิ่มความสูงของอาคารขึ้นอีกสองชั้นเป็นสิบชั้นสองชั้นบนสุดซึ่งเป็นชั้นของสองอาพาธจึงยกขึ้นไปเป็นชั้นที่เก้าและชั้นที่สิบทาให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเมื่อรวมทั้งอุปกรณ์แล้วก็เป็นเงิน200ล้านบาท หลวงตาได้กล่าวไว้ว่าเราก็มาดำริตอนเย็นนี้ละ่ะเราได้ดำริทบทวนเรื่องของตึกโรงพยาบาล8ชั้นเป็นเรื่องเขาดำริเขาออกทั่วไปแล้วว่าเป็นความเห็นชอบสำหรับผู้ใหญ่ทั่วหน้ากันตึกสูงพอสมควรนะแปดชั้นเราก็คิดว่าจะทำทั้งทีอยากได้สิบชั้นเขาทำนี้แล้วแก้ไขได้อย่างไรมันต้องได้ขึ้นอยู่เรื่อยๆละ่ะเวลาขึ้นนี่8ชั้นยังขยับใส่สักสิบชั้นก็พอดี สชั้นข้างบนนั้นให้เป็นฝ่ายพระแต่ก่อนแปดชั้นสองชั้นข้างบนเป็นฝ่ายพระนอกนั้นเป็นคารวาสทีนี้เมื่อเป็นสิบชั้นแล้วสองชั้นข้างบนให้เป็นพระแปดชั้นข้างล่างให้เป็นฝ่ายคารวาสกําลังจะปรึกษาหารือนี่มันก็จวนจะถึงสิบชั้นแล้วถ้าควรจะได้สิบชั้นหากไม่มีอะไรขัดข้องสําหรับสถานที่ในห้องนะเราก็อยากปรึกษาเอาสิบชั้นให้แล้วตกลงกับใครบอกว่าหลวงตาเห็นด้วย ถ้าเพิ่มอีกสองชั้นเป็นสิบชั้นเราจะเหมาะหลวงตาได้ประกาศให้โลกรู้แล้วว่าท่านเป็นหัวหน้าสร้างตึกของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเป็นสิบชั้นด้วยยานทิพย์ของท่านได้เห็นถึงความเดือดร้อนท่านได้เมตตาแผ่บุญกับบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายให้ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยสร้างกุศลบารมีให้กับตัวเอง เพราะแต่ละภพที่เราจะต้องไปผจญหลังจากละภพนี้ไปแล้วยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ละชีวิตไม่ได้เกิดมาภพชาติเดียวและหมดสิ้นดับศูนย์ยังจะต้องเวียนว่ายตายและเกิดใหม่อีกเป็นร้อยเป็นพันชาติหากแต่เรามีพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตามหาบัวที่ท่านจะช่วยเหล่าลูกศิษย์ให้เข้าถึงธรรมอันเป็นการย่นภพย่นชาติได้องคหลวงตาท่านเป็นกลองบุญใบใหญ่ ที่ส่งเสียงดังไปถึงสามแดนโลกธาตุเปิดนรกเปิดสวรรค์ให้มีส่วนมารับบุญกุศลที่พวกเราได้ขวนขวายทำตามท่านเป็นทุนทรัพย์มหาบุญมหากุศลของเราเองหลวงตาท่านชรามากแล้วครับท่านบอกกับผมและสิทธิ์ทั้งหลายว่าจิตของเราใส่สว่างเต็มที่ยกเว้นสังขารที่เสื่อมไปตามอายุไขฉะนั้น อย่าให้เวลาผ่านไปโดยความประมาทว่าบุญเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้เมื่อไร่ทำก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนเอาไว้ค่อยทำก็แล้วกันแล้วใครจะเปิดประตูสวรรค์ปิดประตูนรกให้เราหรอกครับหากปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่คิดจะทำอะไรในเมื่อบุญมากองอยู่ตรงหน้าแล้วเพียงแค่เอื้อมือไปแตกนิดเดียวเท่านั้นก็จะยนพบยนชาิได้เมื่อใจเป็นมหากุศล และอย่าหาว่าไม่บอกนะครับเวลาเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วริบขวนขวายเขาเถอะและไม่ต้องลำบากใจด้วยในการทำบุญสิบบาทยี่สิบบาทก็ได้ตามกำลังตามศรัทธาของท่านจะเป็นอริยทรัพย์ที่ตามติดไปกับท่านทุกภพทุกชาติไม่ต้องรอว่าหลวงตาจะลงมากรุงเทพเมื่อไหร่ท่านชรามากแล้วเราค่อยๆถวายปัใจจัยให้ท่านก็ได้ส่งเงินทาบุญโดยการซื้อแคชเชียร์เช็ค หรือทำธนานัดถวายก็ได้แล้วส่งไปทางไพรสเน่จ่าหน้าซองว่าหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีรหัสไรษณสนีนย์อย่าลืมติดตามไปด้วยเดี๋ยวบุญจะตกหล่นไม่ครบตามเจตนาขออนุโมทนาในมหาบุญมหากุศลด้วยครับ บทความโดยคุณหลวงเสียงอ่านโดยโจโช